ขอนอบน้อมพระรัตนตัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอากาศประจยนทรงสงศนแล้วก็เพื่อนสมามิทุกท่านจะเดินในธรรมไม่ขีแล้วก็ยัติธรรมทุกคนนะเราก็มาชุมนุมกันเนาะวันนี้เมื่อ 2,600 ปีหมู่สาวกมาชุมนุมกันที่ เมวลุวันหรือว่าป่าภัยแต่เรามาชุมนุมกันที่ป่ายางนาแทนก็เป็นป่าเหมือนกันเนาะแต่เป็นป่าคนะประเภทกันสมั ย, มยก่อนก็มีป่าหลายแบบสมัยนี้ก็ป่าหลายแบบแต่มาชุมนุมกันเพราะอะไรเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้ า, เ, จาเป็นจุดศูนย์รวมของเราทุกคน ไอ้ว่าจะยุคไหนเมื 2, ่อ 2,600 ปีหรือแม้แต่วันนี้ก็มีพระศาสดาดำรงอยู่นะผู้เผพเจ้าไม่ได้ตายไปที่ไหนนะนะอาจจะมีพระบรมสารีริกาธาตุมีอะไรต่างๆแต่นั้นเป็นเพียงแค่กระดูกนะหรือวัสถีระที่ท่านตายไปแต่แท้ที่จริงแล้วพู้พุทพเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าคือความรู้ตื่นเบิกบาน ถ้าเราถือพระพุทธเจ้าเช่นนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไปไหนนเพราะความรู้ตื่นเบิกบานไม่สามารถตายไปได้ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าให้เรานับถือความรู้ตื่นเบิกบานหรือว่าพุทธโทธตัวเนี้ยซึ่งมีอยู่ตลอดกาลละนานนะจะมีเจ้าชายสิทธิฐมาประสูตรตรัสรู้หรปริญพาผานหรือไม่จะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์หรือเปล่าก็ พุทธะตัว น, นี้ไม่เคยตายไปที่ไหนและที่สําคัญเนาะพุทธะตรง น, นี้ก็ไม่ใช่อยู่กับเจ้าชายศิษถะหรือว่าอยู่กับศาสนาพระองค์ใดเพราะพุทธะตรง น, นี้มีกับพวกเราทุกคนนะพวกเราจะลืมพุทธะที่มีอยู่ใจของเราเรารู้สึกตัวนะตอนไหนตอนนั้นแหละพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานะเรารู้สึกตัวเมื่อไรตอนนั้นแหละธรรมะที่แท้จริงปรากฏแล้ว ธรรมะคืออะไรสภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติสภาวะที่ปกติที่เกิดขึ้นกับจิตของเราตอนนั้นแต่จิตใจของเราเป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงไม่ต้องมาโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองมาบวชอยู่ที่วัดแต่ใจเราสามารถเข้าถึงพระสงฆ์ได้เพราะพระสงฆ์ที่แท้จริงคือผู้ที่มีหรือผู้ที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้คือความแท้จริงที่เรามารวมกันจะที่ไหนวันไหน นะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรามารวมกันที่ตรงนี้ทำไมก่อนมารวมกันที่ปา่าไผ่หรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่นี่เรามารวมกันตรงนี้ให้เรารวมกันให้ถึงสภาวะแห่งพุท ธ, ธที่แท้จริงที่มือใจของเรานะสังเกตไหมนะมันตื่นเมื่อไรตื่นออกจากอะไรเช่นเวลาเราง่วงนอนนะบัตรบัตรทำไปบางทีง่วงนอน บางคนก็ฝืนบางคนก็ทนบางคนก็ใช้อบายสารพัดเพื่อแก้วความง่วงแล้วเมื่อไหร่ที่เราออกจากความง่วงได้อันนั้นแหละพุท ธ, ธะเป็นอิสระจากความง่วงแล้วเราตื่นออกมาจากความง่วงแล้วหรือบางทีเราปฏิบัติทาไปมันคิดสารพัดนะคิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องวันพรุ่งนี้คิดเรื่องออกจากวัดไปแล้วนะมันคิดสารพัด พอเรากลับมาเห็นว่าใจเรามาคิดนะใจมันเผลอไปคิดเมื่อ น, นั้นมันก็ตื่นขึ้นมาจากความคิดจากความหลงแล้วเนี่ยนี่คือความตื่นมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็สังเกตเนาะเราก็ตื่นวจะหลายรอบหลายครั้งมากนะอันนี้คือการตื่นที่เราสามารถตื่นออกจากความหลงได้นะจะเป็นความง่วงก็ดีความคิดก็ดีหรือบางคนอาจจะปฏิบัติ ท, ทําไปแล้ว มัเจอปิตินะนะบางทีวันที่สาวันที่สี่ปฏิบัติไปแนละ้วมันเพลินเพลินนะมีความสุขมีความสบายอยากจะทำต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่อยากหลับไม่อยากนอนก็มีนะมันมีปิติไม่อยากกินข้าวไม่อยากอาบน้ำไม่อยากทาอะไรก็มนะีอยากแต่ปฏิบัติท่าเดียวนะมันก็คือเข้าไปอยู่ในอารมณ์ของความเพลินนะแต่ไม่ใช่ว่ามันผิดนะแต่ถ้าเรารู้ทันอ้อ เห็นเลยความเพลินเป็นแบบนี้ในเองอ้อปิติเป็นแบบนี้ในเองความสุขใจเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ในเองเราเห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเท่านั้นปิติทาหน้าที่เป็นผู้เห็นอ้อเห็นอาการมันแล้วอันนี้ก็คือเราตื่นออกจากปิติตื่นออกจากความเพลิดเพลินทำให้พอใจนะตื่นออกจากตัวที่เิดึงนะให้เราแช่ไว้กับความสบายเช่นนั้น อันนี้ก็คือความตื่นเช่นเดียวกันดังนั้นแท้ที่จริงแล้วสภาวะพุท ธ, ธะหรือสภาวะที่ตื่นมันตื่นได้หลายรูปแบบมากนะตื่นจากความหลงที่เป็นหลงแบบหยาบหยาบนะหลงจากหยาบหยาบเป็นความม่วงเหงาหานอนหรือความคิดฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนะหรือว่าตื่นจากความโกรธนะตื่นจากความรักก็มีนะอนนี้หรือบางทีก็ตื่นจากสิ่งที่เป็น เหมือนด้านที่ดีนะเช่นปิติความสุขตรงนี้คือจุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่ว่าให้เราประจัติไปแล้วให้มันเกิดปิติให้เกิดนิมิตแล้วก็ไปอยู่กับตรงนั้นนะบางทีนะักปฏิบัติธรรมในหลายหลายที่นะหลายโหดหลายแห่งมากบางทีคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องเจอนิมิตนะเห็นพระพุทธเจ้ามารอ ย, อยอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นแสงเห็นสีนะหรือว่าต้องเบาตัวลอยได้เนี่ย อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะไปเข้าใจผิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วเป็นแบบนั้นมันถึงจะได้ผลการปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นผลของอะไรเป็นผลของอเรียกว่าเป็นอาการของนิมิตเลยหรือเป็นอาการของสมาธิแต่บางทีก็ไม่ใช่มไม่ใช่สัมมาสมาธิเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธินะเพราะว่าถ้ามันทําแบบนั้นไปแล้วมันไปหลงในนิมิตนะทางตาทางหูทางกลิ่นทางอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เรียกว่าเกิดเป็นนิมิตเฉยๆมีนะมีนักปฏิบัติธรรมบางคนปฏิบัติไปแล้วเดินจงกรมนะเห็นพระพุทธเจ้ามายืนดูเราเดินจงกรมอยู่นะจนดื่มว่ากําลังเดินจงกรมอยู่ใจไปอยู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็นนิมิตเกิดขึ้นก็รบก้มลงกราบพระพุทธเจ้าที่ทางเดินจงกรมนั่นแหละนะก็มีเพื่อนมาถามเอ้ากราบอะไร้นะเขาบอกเอ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้ามายืนต่อหน้าหรือเนี่ย ฉันเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ท่านเลยกราบพระพุทธเจ้าเพื่อนบอกไม่เห็นโอ้เธอนี่ตาไม่ดีนะเราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นนะบางทีก็นิมิตทางเสียงก็มีน ะ, ะบางคนก็ได้ยินบทสวดมนต์ได้ยินเสียงธรรมะมาซ้อนมาบอกเป็นประจำก็มีบางคนก็กลับไปที่กุดนะก็ได้กลิ่นได้กลิ่นธูปตามไปก็มีก็ไปตกใจ คือจริงนิมิตไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่สําคัญกับการทําให้อ่าในการอยู่กับนิมิตคืออะไรก็คือไม่ไปหลงไปกับมันไม่หลงไปที่ไหนไม่หลงไปสงสัยนะไม่ต้องไปสงสัยหรอกทำไมเห็นพระพุทธเจ้าหรือว่ารู้สึกเกิดขึ้นเกิดนิมิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแค่หยุดความสงสัยล่ะอ๋อเห็นว่ามันเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอ๋อเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไปเมื่อเราไม่ใส่ใจนะ จะเป็นผู้จ่าเจ้าก็ดีจะเป็นมารแบบไหนก็ดีเมื่อเราไม่ใส่ใจเข้ามาแล้วเขาก็ไปนะเข้ามาแล้วเขาก็ไปเขาไม่อยู่หรอกนะไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดนะไม่ได้ไปถือเขาไว้เขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเนี่ยคือบางคนเป็นเช่นนั้นนะแต่แ ท, ท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมแบบการเจริสติแบบหลวงพ่อเทียนปฏิบัติแล้วนิมิตดเกิดขึ้นไม่มากหรอกเพราะว่าอะไร เราไม่เน้นการหลับตาไม่เน้นการอยู่นิ่งๆนะเมื่อมันไม่หลับตามันไม่นิ่งบางทีจิตก็ไม่ได้ลงดิ่งขนาดนั้นนะจิตมันก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะแต่การที่เราเคลื่อนไหวตรงนี้แหละแต่บางคนอาจจะมีอันนี้ก็คือบอกไวเตือนไว้เฉยๆแต่สิ่งที่บางทีมันมีแน่นอนเลยนะยกมือไปเนี่ยมันมีความสบายมันมีความสุขนะมันมีความเพลินนะ ให้เรารู้ทันสภาวะตรงนี้เหมือนกันก็เห็นว่ามันเพลินเห็นว่ามันสบายเห็นว่ามีมความสุขเมื่อเรารู้แล้วก็ออรู้มันแค่ น, นั้นนะก็ยังยกมืออยู่ก็ยังเดินอยู่แต่ไม่ไปติดกับความเพลินไม่ไปติดกับความสบายไม่ไปติดกับความสุขช่วงนั้นอันนี้คือการเดินทางนะทุกครั้งที่เราเดินทางจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายนะไม่ต้องไปสงสัยมันยอมรับอย่างที่มันเป็นเลยเนาะ มันนั่งแล้วปวดอามาปวดขาหรือบางทีก็ปวดหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสงสัยยอมรับอย่างที่มันเป็นไปเลยเมื่อใจเรายอมรับอย่างที่มันเป็นอ๋อเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นมันไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องไปหาคําอธิบายเมื่อนั้นใจเราก็วางจากความปรุงแต่งอะไแล้วอ๋อก็เห็นว่ากายเป็นเช่นนั้นสติมีหน้าที่เพียงเพียงผู้เห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายจะเป็นเช่นไร ก็เห็นมันเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นอาการที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจหรืออาการที่เป็นกลางๆก็ดีเราก็ดูเขาอย่างที่เขาเกิดขึ้นนั่นแหละอย่างที่บอกไว้จะเป็นความฟุ้งซ่างจะเป็นความสงสัยจะเป็นความรักความชังจะเป็นปิติหรือความสุขความสงบก็แล้วแต่เขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นนะไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นนะนนี่หลักสําคัญของการจเจริญสติมากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากิเลสมันล่อให้เราไปเป็นกับเขาแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกสติมีสติแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นเพียงแค่อาการที่ได้เห็นเท่านั้นมันต่างกันนิดเดียวนะการเจริญสติดังนั้นอะไรเกิดขึ้นมาไม่เป็นไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นถือว่าเป็นการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่ ให้สติได้เห็นนะเราไม่เข้าไปเป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่บางทีสติปัญญาของเรามันอ่อนมันด้อยไปบ้างเข้าไปเป็นบ้างแต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยมันก็จะออกมาเห็นนะถอนออกมาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูอยู่ได้อย่างรวดเร็วอันนี้คืออา น, นิสงส์มากนะเราจเจริญสติเพื่ออะไรนี่แหละก็เพื่อให้เราตื่นตัวนะจากภาวะที่หลงนะ ก็กลายเป็นผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานออกจากความทุกข์ออกจากความหลงตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําตรงนี้ได้เนาะจะฝึกอยู่ที่นี่นะ่ะเจ็ดวันกลับไปที่บ้านจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถออกจากตรงนี้ได้ถ้าเราออกจากตรงนี้ได้เนะี่ยแดกเป็นอนิสงส์ที่สําคัญมากเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะ่ะทําไมพระเจ้าถึงสอนให้พวกเราฝึกเช่นนี้เพราะว่าอะไรเพราะบางทีเราทําความดีเนาะ เราเป็นหมอเป็นพยาบาลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีเราก็ทําความดีสารพัดเนาะดูแลคนไข้นะหรือว่าเรามีญาติพี่น้องก็ดูแลญาติพี่น้องลูกเต้าแต่ทําไมทําดีแล้วมันทำไมมันทุกข์ตามมาล่ะนี่ทําไมเขาว่าทําดีแล้วมันดีทําไมเราทําดีแล้วกลับทุกข์ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราวางใจไม่เป็นนะแต่ถ้าเรามีสติจะเห็นว่าอ้อทําดีนั่นก็ทําไปแล้ว แต่ไปคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือความทุกข์ที่มันตามมาผมมันเกิดขึ้นมาเช่นไรก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นเช่นนั้นอันนั้นพอเรามีสติแล้วอ้อทําดีก็ทําดีได้อย่างไม่ทุกข์หรือบางคราวเผลอไปทําไม่ดีนะเผลอไปทําไม่ดีก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจเพราะว่าอ้ออดีตมันก็ผ่านไปแล้วไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้ก็ปล่อยวางมันไปได้อนาคตจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ก็เห็นมันออไม่ถึงว่าก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นเช่นนั้นไม่ต้องกังวลล่วงหน้าไม่ต้องวิตกกังวลตรงนี้ไปอันนี้คือถ้าเรามีสติเราจะทำหน้าที่ที่ปัจจุบันตรงนี้ให้ดีที่สุดเราทำดีให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ทุกข์นะแล้วก็ที่แท้จริงแล้วถ้าเรามีสติทำชั่วไม่ไม่ทำแน่นะทางกายทางวาจาเพราะว่าใดก่อนที่มันจะทาชั่วก่อนที่จะพูดชั่วมันเกิดจากความคิดเกิดจากจิตใจก่อน พอเรามีสติมาเห็นความคิดอ๋อคิดไม่ดีเกิดขึ้นถ้าเรามีสติแท้จริงนะมันจะไม่สามารถเป็นข้ออ้างได้ว่ากินเหล้าอย่างมีสตินะตีคนอย่างมีสตินะอันนี้ไม่ตีหมายถึงว่าตีแบบอาฆาตนะแต่ถ้าตีเพื่อการถังสอนอาจจะมีได้นะแต่เราจะไม่สามารถอ้างได้ว่ากินเหล้าอย่างมีสตินะว่าดา่านะแบบสาเทศสาเสียเทเสียด้วยความโมโหอย่างมีสติไม่ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าใด เมื่อมันมีสติเห็นความคิดเห็นความโกรธเห็นความโลภเกิดขึ้นที่ใจสติมันเห็นแล้วมันต้องดับไปลงไปเย็นลงไปต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อมันเย็นลงไปแล้วมันก็ทำด้วยความดีมันก็พูดด้วยความดีพูดด้วยการปกติตรงนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราถ้าเราฝึกฝึกสติเริ่มต้นจากการที่เราเห็นกายเคลื่อนไหวตรงนี้แหละนะ เราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะเราทาตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากายมันเป็นสิ่งที่มันซื่อมันตรงแล้วก็มันเห็นชัดชัดมันรู้สึกชัดเจนน่ะโดยยกมือไปมันก็รู้สึกน่ะบางทียกมือไม่รู้สึกเหรอทุกขาดูก็รู้สึกน่ะทุกหัวก็รู้สึกเนยมันรู้สึกจริงๆมันรู้สึกที่ไหนก็รู้สึกตรงที่รู้สึกนั่นแหละตรงไหนก็ได้นะมันเด่นที่ตรงไหนเราก็รู้ที่ตรงนั้นนั่นแหละคือความรู้สึกตัวไม่ต้องไป ค้นหาแค่สัมผัสมาตรงๆไปเลยนะบางทีการปฏิวัติทําใหม่ๆบางทีคนจะสงสัยแล้วก็จะพยายามที่จะไปค้นหาว่าเอ๊สภาวะรู้สึกตัวคือตรงไหนนอแน่ะคล้ายๆไปคอยตามหาเงาแท้ที่จริงแล้วเงามาอยู่กับตัวอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันความรู้สึกตัวมันก็อยู่กับตัวอยู่แล้วแต่เราคอยไปเที่ยวหาไปค้นหาไปสงสัยแท้ที่จริงแล้วทำใจสบายๆแล้วก็ สัมผัสลงเลยอ้ปัจจุบันนี้อะไรมันเด่นรู้สึกไปเลยนะยกมือมันเด่นอ้ก็รู้สึกกันยกมือนะยุงกัดเด่นอ้าวก็รู้สึกถึงการที่โดนอะไรกัดมาเนี่ยก็รู้สึกไปได้บางทีก็รู้สึกกับการหายใจบางทีก็รู้สึกกับการเจ็บไข้ที่มันเกิดขึ้นกับกายอันนี้คือกายอะไรที่มันเกิดขึ้นแสดงอะไรเกิดขึ้นมันเด่นแล้วก็ดูมันไปเลยตรงนั้นแหละแต่บางทีมันก็ไม่ต้องค้นหาว่ามันจะเด่นเปลี่ยนที่ เราก็สร้างที่ให้มันเด่นเด่นขึ้นมาชัดเจนเช่นการเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นอุบายยกมือสิบสี่จังหวะเป็นอุบายให้มันเด่นขึ้นมาแต่บางคราวมันก็ไปรู้อย่างอื่นอ่ะก็รู้ไปไม่เป็นไรรู้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมารู้สึกกับสิ่งที่มันเด่นขึ้นมาเช่นการยกมือใหม่เดินจงกรมก็เช่นเดียวกันบันนี้ก็เดินไปรู้สึกถึงการกระทบพื้นรู้สึกถึงการก้าวย่างบางทีเดินไปลมพัดมากระทบตัวก็รู้สึกเ อ, อถึงลมที่กระทบตัว แต่บางทีมันก็รู้สึกกายแล้วก็ก็ไปรู้ถึงใจด้วยโอ้บางทีร้อนๆเดินร้อนๆ ร, ร, ร, ร, ร, รมกระทบตัวเกิดความเย็นใจสุขใจเพลินใจแล้วก็อาจจะติดใจก็ได้พอรู้ทันออเราบางทีก็ตอนสุขใจไม่ได้ผิดแล้วแต่ตอนไปติดใจเนี่ยแสดงว่าเราไปมีความชอบความชังบางอย่างแล้วพอเรารู้ทันแ้อ้ออันนี้แหละคือความหลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ย บางทีมันก็เห็นจิตใจนะนั่งไปสมมุติยุงกัดก็เกิดใจที่มันพูดบนในใจเฮ้ยไม่ชอบนะอยากจะกัดอยากจะมันมากัดเราเหรอบางทีก็มีความอาฆาตอยากจะตีเขาถ้าเรารู้ทันใจของเราแล้วอ๋อเออใจดวงหนึ่งมันอยากจะไปตียุงเรารู้ทันใจตรงนั้นแล้วมันก็หยุดนะหยุดใจดวงนั้นแล้วมือก็ไม่ไปตีไม่ไปทําลายเขานะอาจจะปัดอาจจะเป่าก็เป็นไปได้อันนี้คือพอเรามีสตินะ่ะ นอกจากการรู้กายที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันแล้วมันก็จะกลับมาให้เห็นใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งสารพัดต่างๆนะพอเราเห็นต้นตอที่แท้จริงแล้วว่าอะไรที่มันสั่งกายให้ทำนั่นทนํานี่ก็คือใจนี่เองเมื่อเรามาเห็นแล้วว่าอ้ต้นตอที่แท้จริงของชีวิตนะจะทำบุญจะทำบาปนะมันอยู่ที่ใจนี่เองกลับมาซั์มันตรงที่ใจเลยออแต่ไม่ใช่สั์แบบให้มัน เรียกว่าให้มันตายนะแต่มันถึงว่ากลับมาเห็นต้นตอตรงนี้แล้วอ้อมันเห็นตรงนี้แล้วใจก็สามารถเป็นปกติได้เมื่อใจมันกระดิกนิดนึงนะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นความรักจะเป็นความชังเมื่อเห็นแล้วมันหยุดดงตรงนั้นน่ะมันหยุดแค่ตรงเห็นสติมันเห็นนะมันเหมือนคล้ายๆตำรวจที่เห็นโจรที่เห็นโจรนะพอโจรมันรู้ว่าตำรวจเห็นแล้วมันไม่กล้าทําความผิดเพราะว่าอะไรมันรู้ว่า เดี๋ยวถ้าทําก็โดนจับแน่มันก็เลยทําตัวเนียนๆไปกิเลสก็เหมือนกันนะพอสติมันเห็นมันก็เนียนหายละลายไปเลยอันนี้ยเป็นธรรมชาติที่เราฝึกตรงนี้และการที่เราฝึกตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่างพระาอาจารย์ทรงสินท่านบอกเป็นหัวใจเป็นแกลเป็นแกนของพุทธศาสนานอย่างที่บอกว่าทําความดีก็ตามละความชั่วก็ตามถ้าทําแล้วบางทีมันทุกข์ แต่ก็ก็ยังไม่ถูกประดักที่แท้จริงแต่ถ้าเราทําความดีแล้วรักความชั่วแล้วแล้วก็ไม่ทุกข์ใจด้วยจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นปกติอันนั้นแหละคือเราทําครบกับองค์ของที่พระพุทธศาสนาทั้งสอนไว้ดังนั้นการที่เรามาเจริญสตินี่แหละเรียกว่ามันครบองค์ทั้งสามส่วนถ้าเรามีสติแล้วนะเราก็ทําความดีแน่นอนถ้าเรามีสติแล้วเราก็ระความชั่วแน่นอน ถ้าเรามีสติแล้วจิตใจก็เป็นปกติจิตใจก็เรียกว่าประพัดสอนผ่องใสแน่นอนเรียกว่าทำครั้งเดียวเนี่ยได้สามอย่างเลยนะเรียกว่ามันทีอินวันนะทีอินวันครบทั้งสามส่วนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราทำแค่นี้แหละนะแต่บางทีเราออกไปที่อื่นเราก็สามารถทำได้บางครั้งเราไมไ่ยกมือเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ได้เดินจงกรมเช่นนี้ไม่ได้เดิน หรือปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเช่นนี้แต่เราไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคอยหมั่นดูกาย <c oughs> เ, าเค้าเคลื่อนเข้าไหวเป็นผู้ดูนะวิสติเป็นผู้ดูดูกาย เ, าเค้าเคลื่อนเข้าไหวเห็นเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งปติทําหน้าที่เป็นเพียงผู้เห็นเห็นกายเข้าเคลื่อนเข้าไหวไม่ได้เข้าไปเป็นกับความปวดความเจ็บความสุขความเบาอะไรกับกายก็เห็นมาไปเช่นนั้นจนทั้งวันหนึ่งกายจะแดกอา กายอาจจะแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปก็เห็นว่าเป็นเรื่องของกายที่ที่ตายไปเช่นนั้นแล้วก็เห็นใจก็เช่นเดียวกันเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสุขบ้างทุกบ้างคิดบ้างปกติบ้างก็เห็นว่าเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นความคิดพวกนั้นมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตถ้าเราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วจิตเดิมแท้ไม่ได้เป็นอะไร จิตเดิมแท้มันประพัฒ์สอนผ่องใสจิตเดิมแท้มันรู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในอยู่แล้วไอ้ความคิดไอ้ความหลงไอ้กิเลสต่างๆมันเกิดขึ้นมาที่หลังแต่เกิดขึ้นมามันไม่สามารถบังความเดิมแท้ที่มันเป็นปกติได้ไม่สามารถบังสภาวะที่เป็นพุท ธ, ธะได้อย่างแท้จริงได้มันก็เห็นเลยว่าอ้อมันเป็นเช่นนั้นมันก็หายไปดูไปเลยมีอาการไหนที่มันอยู่คงทนทาวรมีไหมไม่มีนะ เราคิดพยาบาทใครมันอยู่ถาวรไหมนี่คิดแป๊บเดียวนาก็หายไปคิดรักก็เหมือนกันมันอยู่กี่นาทีาอยู่กี่วินาทีแสดงอะไรที่มันอยู่ถาวรไม่ได้ก็แสดงว่าอันนั้นนะ่ยมันตรงกับหลักของอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนั้นตลอดกาลนา น, นาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดก็เพราะว่าอะไรมันมีความทุกข์นี่ ความบีบคั้นมันมีความทรมานอยู่ในตัวของมันเองมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความทุกข์นะความทุกข์ที่ว่ามันต้องเปลี่ยนต้องดับนะตรงนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเลยว่าแม้แต่ความคิดแม้แต่อารมณ์แม้แต่อะไรเกิดต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าใจเราต้องการให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุให้มันเกิดของมันเองนะเห็นเลยว่าอาการที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีอาการที่เกิดขึ้นกับใจก็ดี เราไม่ได้บังคับเขาได้เลยนะอย่างตอนนี้อยากจะบังคับให้ขามันหายปวดบางทีก็บังก็เรียกว่าบังคับไม่ได้นะอยากจะบังคับไม่ให้มันไม่คิดก็บังคับไม่ได้มันคิดก็เรื่องของมันมันปวดก็เรื่องของมันเห็นเลยว่าอ้อมาเป็นอาการที่บังคับไม่ได้อันนี้แหละเมื่อเราเห็นว่าอ้อธรรมชาติมาเป็นอาการเช่นนี้อ้อสภาวะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เป็นเช่นนี้นี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยแ Robert, nailed, ท้ที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่อยู่ที่ไหน อยู่ทุกขณะตรงนี้เลยนะมีบางคนนะนะในที่นี่แหละปฏิบัติธรรมไปแล้ว เ, ออเข้าใจธรรมะนะก็บอกว่าอุย๊ยแตกใจว่าทำไมธรรมะมันคล้ายๆมันมันง่ายมันง่ายแบบนี้อย่างเหรอมันแค่นี้เองเหรอนะเพราะแต่ก่อนไปคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องเรื่องลึกครับเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องพิสดารอะไรนะแต่แท้จริงแล้วพอได้ไปสัมผัสธรรมะที่แท้จริงโอ้ยก็แค่รู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะ แค่รู้สึกตัวมันก็ไม่มีความหลงเกิดขึ้นแล้วน่ะแค่มีเจิตสตินะรู้การกระทบสัมผัสรู้กายเคลื่อนไหวเฮ้ยแค่นี้ก็ไม่ทุกข์แล้วโอ้มันแปลกใจนะใหม่ๆมันก็รู้สึกแปลกใจแต่พอทําไปเรื่อยๆมันก็คุน้นก็ธรรมดาก็ไม่ได้แปลกอะไรนะใหม่ๆอาจจะแปลกบ้างนะแต่พอคุ้นชินกันมาแล้วก็เออมันก็ธรรมดาของมันเช่นนั้นน่ะที่ใช้จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ ไม่ใช่เรื่องกายตัวการศึกษาธรรมะก็ไม่ใช่าปศึกษาที่ไหนเรากลับมาศึกษาที่กายที่ใจนี่แหละจะต้องเห็นว่ากายและใจนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับมันได้แต่เราสามารถฝึกหัดได้นะแม้กายแม่ใจนี้จะบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่หัดถ้าเราไม่เจริญสติ มันจะโดนความหลงจะโดนความทุกข์มาครอบงำํำนะี่ไม่มีใครหลอกนอนอยู่เฉยแล้วจะบรรลุธรรมได้นะไม่มีใครหลอกนอนอยู่เฉยแล้วจะอ่ะาสมัยนี้นะจะนอนฟังธรรมะแล้วก็เก็ดแล้วก็ปิ้งนะ่ะอ่าพ้นทุกข์ได้เลยยากมากนะถ้าไม่ใช่สะสมมาพอสมควรจริงตอนเนี้ยดังนั้นธรรมะแม้ไม่ใช่เรื่องตัวตนไม่ใช่เรื่องที่จะบังคับแต่เป็นเรื่องที่สามารถฝึกหัดได้นะ การที่เราฝึกหัดตรงนี้แหละเป็นทางที่ตรงทางที่ถูกแล้วถ้าเราฝึกหัดเจอสตินีสติก็จะเกิดขึ้นตามมาสมาธิก็เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธินะถ้าสมาธิที่เกิดขึ้นถ้าขาดสตินั้นเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิบางคนตัวเบาตัวลอยเกิดนิมิตอานั้นเรียกว่าเป็นสมาธิแต่บางทีมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเราไปติดกับเขาได้ แต่สมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแล้วก็รู้ตัวเบิกบานอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่ามีสติเป็นตัวกํากับถ้าเรามีสติมีสัมผัสิตรงนี้แน่นอนปัญญามันเกิดขึ้นแน่นอนปัญญาในการเข้าใจความจริงนะไม่ใช่แค่เห็นความจริงนะเห็นความจริงแล้วเข้าใจความจริงตรงนี้ได้ความจริงที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาตรงนี้แหละเมื่อมันเห็นแล้วมันเกิดความเข้าใจเมื่อมันเกิดความเข้าใจมันก็ยอมรับมันก็ปล่อยวางมันก็วาง มันก็ว่างก็แค่นั้นเองอันนี้แหละคือถ้าเราเจริญสติมันได้ครบองค์องค์มรรคทั้งหลายทั้งปวงเลยนะเริ่มต้นจากการที่เราฝึกสติเนี่ยแหละจะทําให้เราเรียกว่าแตกฉานแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะเรื่องกายเรื่องใจเข้าใจเรื่องของคนอื่นด้วยนะเข้าใจเรื่องของอื่นอาจจะไม่เข้าใจทุกเรื่องราวแต่มันเข้าใจแบบวางได้เออไม่เข้าใจก็ไม่ไปทุกไม่ต้องไปเครียดกับเขาไอ้ที่เข้าใจก็ไม่ต้องไปทุกไปเครียดกับเขานะบางทีเราก็จะไปทุกไปเครียด ทำไมคนนั้นเขาทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ก็พูดอย่างนั้นก็ไปไม่ต้องไปหาเหตุผลอ๋อก็เขาพูดอย่างนั้นหร อ, อก็พอที่การปรุงแต่งในจิตของเร า, า, เาก็พอเขาทำแบบนั้นเหรอก็พอไม่ต้องไปหาเหตุผลกับเขาบางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็าวางได้อันนี้แหละสิ่งที่เรามาฝึกหัดตรงนี้ไม่เสียหายแล้วก็มันจะได้ประโยชน์หลายมากถ้าเราเอากลับไปใช้ต่อนะไม่ใช่ แค่ภาวนาตั้งใจที่ตรงนี้แต่เขาขอให้เราได้ตั้งใจในการเรียนรู้ดูกายดูใจของเราอย่างแท้จริงมันจึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าได้ประโยชน์ที่เราได้มาชุมนุมกับตรงนี้นะแม้พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกว่าสรีละท่านปรินิพานไปสองพห้าร้อยห้าสิบห้าปีแล้วก็ตามนะแต่คุณธรรมก็คือสภาวะพุท ธ, ธะถาไม่ไ้ตายไปที่ไหนท่านยังอยู่ นะอยู่ทุกคนทุกแห่ง แ, แท้ที่จริงแล้วสภาวะตรงนี้ก็อยู่ในตัวพวกเราทุกคนอยู่กับทุกสรรพสัตว์ก็คือสภาวะรู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่ในพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะการศึกษาธรรมะอยไปดูที่ไหนกลับมาดูที่กายที่ใจของเราเนี่ยเราจะเห็นสภาวะรู้ตื่นเบิกบานที่มันอยู่ตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้มีกิเลสหนาะปัญญาซาม อย่าไปคิดเช่นนั้นจิ้งคิดเช่นนั้นจิ้งปิดกั้นตัวเองแต่ให้เรามั่นใจว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ที่สุดนะแค่เราตื่นออกมาจากความหลงตื่นออกมาจากความคิดก็สามารถสัมผัสธรรมะได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นนะว่าสภาวะพุท ธ, ธะเป็นเช่นนี้ธรรมะที่แท้จริงก็เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาที่สุดนี่แหละนะเป็นเรื่องที่แค่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอย่างไม่ทุกเนี่ยแหละนะ ตอนนี้เราก็เข้าถึงแล้วเนี่ยเป็นการที่เราพวกเรามาชุมนุมกันตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสอาศัยวันมาคบบูชาในปีนี้นะเป็นการตั้งต้นในการทาความดีเป็นการตั้งต้นในการละความชั่วแล้วก็เป็นการตั้งต้นในการทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็เราก็พยายามกระทาทุกวินาทีที่มีลมหายใจะจะดับไปเมื่อไรจะตายไปเมื่อไรเรื่องของมัน แต่ถ้าเราได้ตั้งต้นตรงนี้ดีแล้วแล้วก็ได้พยายามทําต่อเนื่องไปอย่างดีแล้วนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดแล้วนะเพราะว่าเราได้เดินทางที่ถูกได้เดินทางที่ตรงได้กระทําเหตุที่มันดีแล้วผลจะเกิดขึ้นเช่นไรเป็นเรื่องของผลแต่ขอให้พวกเราได้เป็นผู้ที่กระทําเหตุที่สมควรเนาะก็คงเรียกว่าเป็นการป่ารบธรรมนะเพื่อเป็นกาลังใจในการปฏิบัติธรรมของพวกเรานะ ไม่มีใครทําให้พวกเราได้นอกจากตัวของพวกเราเองที่กระทําเหตุให้มันสมควรแก่ทํามนะต่ผู้ที่ประพฤติธรรมนะสมควรแก่ทําก็ยังได้ธรรมะที่สมควรแก่การประพฤติของบุคคลนั้นๆ น, น, นะถ้าเราประพฤติทำแห่งการหลุดพ้นเราก็เกิดความหุดพ้นแน่นอนนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาชุมนุมกันตรงนี้แล้วก็ขอให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้นะด้วยกัน ทุกคนทุกท่านด้วยเธิน